อิสาสนิมในใจหมายเลขเจ็อิสาคือความริษยาได้แก่อาการที่จิตเกิดความกระวนกระวายไม่เห็นคนอื่นได้ดีคำจำกัดความที่เป็นภาษาไทยแท้ๆดูเหมือนจะไม่มีถึงคาว่าริษยาก็ไม่ใช่ภาษาไทยแท้แต่เอาเป็นรู้กันคำว่าอิสานี้เวลาชาวบ้านพูดชอบพูดว่า อิจฉาซึ่งความจริงสองคำนี้ความหมายไม่เหมือนกันเป็นคนละเรื่องกันทีเดียวอิจฉาเป็นกิเลสชนิดหนึ่งหมายถึงความทุรนทุรายของจิตส่วนอิจฉาแปลว่าความต้องการคือความอยากได้สิ่งนี้สิ่งนั้นเป็นอาการของจิตตามธรรมดาสามัญโดยความหมายที่แท้จริงแล้วคำสองคำนี้ใช้แทนกันไม่ได้การที่คาว่าอิจฉา เข้ามาแทนที่อิศาดังที่คนพูดกันทั่วไปนั้นเข้าใจว่าผู้พูดจะต้องการคำพูดที่มีเสียงมีเสียงเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนชอบยกขึ้นนินทาว่าร้ายกันธรรมดาพูดนินทาร้ายคนอื่นๆถ้าได้คำพูดที่กดเสียงหนักๆมาประกอบมันเหมาะกับเรื่องดีอย่างเช่นจะว่าคนที่ชอบริษยาตาร้อนคนอื่น ถ้าพูดว่าเขาเป็นคนขี้อิจฉาอย่างนี้คำมันเบาๆหลวมๆชอบกลไม่จุใจคนพูดแต่ใช้คำว่าอิจฉาดูรู้สึกว่าเสียงมันหนักเวลาพูดทำลอยหน้านิดๆทำปากเสแยเสยประกอบไปด้วยแหมมันช่างอิจฉาตาร้อนอะไรอย่างนั้นดูมันถนัดดี จะด้วยเหตุนี้กระมังคนจึงนิยมพูดคำว่าอิจฉาแทนอิจสานี่เป็นเรื่องคิดเอาเองที่จริงคำอื่นก็มีที่เพี้ยนอย่างนี้เช่นคำว่าจับสลากบางคนก็พูดว่าจับฉลากแบบพิมพ์ของทางราชการแท้ๆยังใช้ว่าบุบฉลายก็มีแทนที่จะใช้คำว่าบุบสลาย เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดของคนหมู่มากคือเป็นเรื่องหมู่มากลากไปบางทีก็จำเป็นต้องไปกับเขาเพราะมุ่งจะพูดกันให้เข้าใจไม่ใช่พูดอวดภูมิกันการบรรยายเรื่องอิศาข้าพเจ้าขอแยกประเด็นที่จะพูดเป็นสามประเด็นคือ 1. ลักษณะของอิศสา 2. โทษของอิศาและสา วิธีกวาดล้างอิสสาสามประเด็นเท่านี้ก็เห็นจะพอสำหรับการศึกษาและการปฏิบัติตอนลักษณะอิสสาจะดูอิสสาดูได้สองทางคือดูคนอิสสากับดูความอิจสาขอพูดถึงความอิสสาเสียก่อนเพราะเป็นวงในเป็นตัวกิเลสดูยากสักหน่อย และเพื่อไม่ให้ขัดหูของท่านผู้อา่านข้าพเจ้าจะใช้คาว่าริสยาแทนคำว่าอิสาในข้อความบางประโยคนักเรียนรรทำท่องจํากันติดปากว่าอิสาความริษยาคือเห็นเขาได้ดีทนอยู่ไม่ได้ข้อความนี้เป็นคำอธิบายลักษณะของอิสาอย่างครบถ้วนแล้วอิสาก็คือความริสยา และลักษณะของริษยาก็คืออาการที่เห็นคนอื่นได้ดีแล้วตัวเองทนอยู่ไม่ได้นั่นเองฉะนั้นลักษณะของอิ ส, สาจึงไม่จำเป็นต้องพูดซ้าอีกความมันชัดเจนอยู่แล้วปัญหาสำคัญคือวิธีดูจะดูที่ไหนและดูอย่างไรจึงจะรู้ว่าจิตมีอุปกิเลสข้อนี้เกาะอยู่หรือไม่ที่ตำราว่าไว้ว่าเห็นเขาได้ดีทนอยู่ไม่ได บางคนเข้าใจว่าที่ว่าทนไม่ได้นั้นหมายความว่าคนคนนั้นแสดงความกระวนกระวายพุดลุกผุดนั่งหรือเที่ยววิ่งหาทางตัดรอนเขาถึงขั้นนี้จึงจะเป็นความริษยาความเข้าแต่ห่างไปคือรู้ช้าไปไม่ทันความกำเริบของกิเลสเหมือนกันแต่ช้าไปหน่อยอาการที่พอจะรู้ได้ก่อนนั้นยังมีอยู่อีก คือพอรู้สึกครั้นเนื้อครั้นตัวก็รู้ทันกินยาตัดไข้ไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องถึงกับสันสัาผัสเต็มที่อาการของความวิษยาก็เหมือนกันแทนที่จะคอยดูความกระวนกระวายทางร่างกายซึ่งมีการวิ่งเต้นตัดอรอนคนอื่นเราควรจะย้อนกลับเข้าไปดูที่จิตดูตรงจิตของเรานั่นแหละจะได้รู้ทันทีเมื่อริษยาเกิดขึ้น จังหวะที่จะดูคือดูเวลาเราได้รู้ได้ฟังเรื่องความดีมีโชคของคนอื่นชั้นที่สุดแม้แต่นึกถึงความดีของคนอื่นเข้าให้สังเกตสภาพของจิตในเวลานั้นพูดอีกทีคือดูใจเราเองเมื่อมันรับรู้ความดีของคนอื่นความดีที่ว่านี้ไม่ว่าจะเป็นการทำดีของเขา หรือการที่เขาได้รับโชคดีก็ตามเช่นเห็นเขาสอบได้ตําแหน่งดีเห็นเขาได้เลื่อนยศเห็นเขาได้ไปเมือง น, นอกหรือได้ยินคนอื่นเขาสรนเสริญผู้ใดผู้หนึ่งก็ตามซึ่งรวมเรียกว่าคนอื่นไม่ดีจิตคนธรรมดาที่ไม่มีริษยาในใจเห็นความดีแล้วย่อมร่าเริงสบายใจชุ่มชื่น เหมือนคนทำงานมานเหนื่อยๆแล้วได้อาบน้ำเย็นๆอย่างนั้นแหละแต่ว่าถ้าจิตมีริสยาอยู่ในตัวแล้วแปลกกระทบกับความดีของคนอื่นไม่ได้มันให้มีอาการกระวนกระวายกระสับกระสายอยู่นิ่งไม่ได้เหมือนคนมีอาการไข้ในตัวบ้างแล้วพอถูกน้ำเย็นๆเข้ามันทำให้หนาวสั่นขึ้นทั่วสัมพางกายอย่างนั้นเองตามธรรมดาคนดีแล้วชอบน้าเย็นๆ แต่ถ้ามีไข้เกิดสแสลงน้ำเย็นใจคนก็เหมือนกันตามปกติแล้วย่อมที่จะชื่นชมอยู่ในอารมณ์เกี่ยวกับความดีแต่พอมีริษยาอยู่ในใจก็กลายเป็นโรคสแสลงดีกระทบความดีไม่ได้เหมือนหัวใจมันจะระเบิดออกเป็นสิ่งเสียเส่ยงบางคนพอรู้ว่าคนที่ตัวไม่ค่อยชอบหน้าอยู่ก่อนได้ดีถึงกับหลุดปากออกมาดังๆว่าอุย ตายตายอกอีแป้นจะแตกแล้วอย่างนี้ก็มีใจที่ริษยาอยู่แล้วเป็นอย่างนี้มันจะแตกเอาจริงๆลองสังเกตดูเถอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะสังเกตความริษยาได้ชัดเพียงใดหรือไม่ขึ้น อ, อยู่กับแรงริษยาด้วยมีน้อยก็เห็นยากมีมากก็เห็นง่ายคือความริษยานั้นมีอยู่ด้วยกันสามชั้น คนมีริศยาน้อยเพียงไม่สบายใจคนมีริษยาปานกลางสนับสนุนความดีของใครไม่ได้คนมีริศยาแรงตัดรอนความดีของคนอื่นจำพวกมีริศยาน้อยคือมีท่าแห่งความริษยาปนอยู่ในจิตใจเพียงเล็กน้อยเมื่อจิตรู้ความดีของคนอื่นจะมีความรู้สึกนึกคิดแต่เพียงว่าระขายใจ ไม่สบายใจนิดนิดแล้วความรู้สึกอย่างนี้ก็ระงับลงโดยเร็วคนมีความริษยาชั้นนี้ยังทำการสนับสนุนความดีของคนอื่นได้อย่างเต็มที่คนอื่นจะไม่รู้เลยว่าเขามีความริษยาในใจนอกจากตัวเขาเองสังเกตใจตนเองเท่านั้นในจิตใจของปุถุชนทั่วไปดูเหมือนจะมีท่าแห่งความริษยาอยู่ด้วยกันทั้งนั้น ต่างแต่ว่าใครจะมีมากมีน้อยพระมหาเถรระบางองค์เคยปราลรบับข้าพเจ้าว่าท่านเองก็รู้สึกว่ามีริสยาติดอยู่ในใจเหมือนกันท่านบอกว่าเมื่อเห็นคนอื่นทำความดีสำเร็จใจท่านรู้สึกไม่พอใจนิดนิดแม้ว่าท่านเองไม่อยู่ในฐานนะมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขาเลยริสยาในขั้นนี้เกิดแล้วดับไปโดยรวดเร็ว แต่พอจะรู้ได้โดยการสังเกตตามธรรมดาแต่ต้องสังเกตทันทีคือในขณะแรกที่จิตของเรารับรู้ความดีของคนอื่นริษยาชั้นสองคือขนาดกลางมันกระทบจิตแรงกว่าที่ว่ามาแล้วแรงจนจิตต้องเบี่ยงหลบไปจากอารมณ์นั้นเหมือนคนเป็นตาแดงพอสายตากระทบแสงตะวันต้องหลบหน้าหนีทันทีนั่นเอง เพราะจิตทนรับรู้ความดีของคนอื่นไม่ได้ต้องเบี่ยงหลบไปจากอารมณ์นั้นเสียคนที่มีริษยาขั้นนี้จึงกลายเป็นคนที่สนับสนุนความดีของคนอื่นไม่ได้ใจมันหลบดีเสร็จแล้วจะเอาใจที่ไหนมานึกคิดสนับสนุนคนอื่นแต่คนชั้นนี้ยังดีอยู่บ้างคือแม้จะไม่สนับสนุนใครก็ไม่ตัดอรอนใครทีนี้พวกอิจฉาขนาดหนัก คือมีความริษยาอย่างแรงจนถึงขั้นที่ว่าเมื่อรู้ว่าคนอื่นได้ดีต้องคิดตัดรอนเขาจะตัดได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่แต่ก็ต้องคิดเสียก่อนท่านลองสังเกตดูขั้นของริษยาพวกแรกเพียงรู้สึกไม่สบายใจพวกที่สองไม่มีแก่ใจจะสนับสนุนคนอื่นด้วยพอมาถึงพวกที่สามนี้มิใช่เพียงไม่สบายใจ และไม่มีแก่ใจที่จะสนับสนุนคนอื่นเท่านั้นแต่ถึงขั้นคิดตัดรอนเขาด้วยเหตุใดจึงเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าจิตเดิมถูกความริษยามันปั่นหัวเสียจนกลายเป็นาธาตุคนละอย่างกับความดีถึงขั้นเป็นปฏิปักษ์ธาตุคือเป็นาธาตุต่างเหล่ากันพอกระทบกันเข้าเป็นต้องผลานกันให้ย่อยยับไปข้างใดข้างหนึ่งเหมือนน้ากับไฟอย่างนั้นแหละ ความในตำราที่เรียกกันว่าริศยาได้แก่อาการที่เห็นคนอื่นได้ดีแล้วทนอยู่ไม่ได้นั้นที่แท้คือจิตไม่อาจทนอยู่ในปกติภาพได้เช่นเดิมกําลังคิดอ่านเรื่องอะไรอยู่เพลินเพลินกำลังสบายใจแต่พอจิตใจรับรู้ว่าคนอื่นได้ ด, ด, ดีจิตไม่อาจอยู่ในอารมณ์อันเดิมนั้นได้กลับมีความทุกข์ใจ เกิดขึ้นมาแทนคำที่ว่าทนอยู่ไม่ได้นั้นหมายถึงจิตทนอยู่ในอารมณ์ปกติไม่ได้อย่างนี้ส่วนปากและร่างกายมันจะแสดงอะไรต่อไปนั้นเป็นเรื่องทีหลังจเจ้าความเปลี่ยนแปลงทางกายทางวาจามันตัดสินว่าจิตมีริษยาหรือไม่อาจไม่แน่เสมอไปบางครั้งคนมีจิตริษยาอาจแสดงออกในทางนิ่งก็ได้ คือแทนที่จะแสดงความยินดีเมื่อคนอื่นได้ดีแต่เมื่อเห็นคนอื่นได้ดีก็กลับนิ่งเสียอย่างนี้ก็มีการดูอาการไข้ดูได้สองระยะคือตรวจดูเชื้อไข้ในโลหิตว่ามีเชื้อหรือไม่มีกับดูอาการที่มันจับไข้แล้วว่ามีอาการอย่างไรสั่นไหมปวดศรีรษะด้วยไหมและอาการอื่นๆอีกรวมความว่า ตรวจดูได้2ระยะการดูกิเลสของคนอื่นก็เหมือนกันดูลักษณะกิเลสในใจเสียทีแล้วก็ดูอาการที่คนมีกิเลสอย่างนั้นแสดงออกอีกด้วยที่อธิบายแล้วนั้นเป็นปัญหาการดูกิเลสในใจดูด้วยตาในคือปัญญาจึงจะเห็นใจมีเชื้อริษยาหรือไม่มีดูด้วยปัญญาแล้วรู้เราดูอาการของคนอื่นอีกที อาการของคนมีริษยาเราต้องคอยดูเวลาผู้นั้นได้ยินได้ฟังหรือได้รู้เห็นความดีความชอบของผู้อื่นหรือเวลาที่เขาพูดถึงความดีของคนอื่นพูดง่ายๆคือต้องเอาความดีเด่นของคนอื่นเข้าไปทดสอบดูเมื่อกระทบเข้ากับอารมณ์เช่นนั้นเขามีความสุขหรือความทุกข์เขามีความเบิกบานชื่นชมด้วยหรือไม่ยกตัวอย่างเช่น กไก่ในกรณีการอ่านการฟังถ้าเขาได้อ่านหรือได้ฟังข่าวว่ามีคนนั้นคนนี้ได้โชคลาภหรือได้ยศศักดิ์คนมีริษยาในใจจะพูดปรารบออกมาในทางไม่พอใจกับข่าวนั้นทันทีเราลองทดสอบดูก็ได้เช่นเล่าให้เขาฟังว่าใครคนใดคนหนึ่งที่เขารู้จัก เกิดมีโชคลาภหรือได้เป็นใหญ่เป็นโตเมื่อเขาได้ฟังข่าวนั้นเขาจะว่าอย่างไรถ้าเขาพูดในทํานองว่าเออนั่นเป็นบุญวัสนาของเขาหรือคำอื่นๆในทํานองนี้แสดงว่าใจเขาไม่ริษยาหรือก็มีน้อยเต็มทีแต่ถ้าเขาอุทานออกมาในทํานองว่ามันก็อ้เท่านั้นหรือว่าไม่น่า ที่ค่าได้ดีมันจะมีสักกี่น้ำอย่างนี้แสดงว่าเขาเป็นคนมีริษยาในใจแน่ขอไขในกรณีที่เขาเป็นคนพูดถึงข่าวชนิดนั้นขึ้นเองแต่จะสังเกตได้ว่าแกเล่าเรื่องความดีของคนอื่นจริงแต่เล่าด้วยความไม่พอใจหางเสียงบอกว่าเหยียดหยามหรือไม่เห็นด้วย คลๆกับว่าความดีเด่นที่คนคนนั้นได้มานั้นมันไม่ใช่ความดีเด่นอะไรนักหนาเป็นความดีจอมปลอมเท่านั้นเองหรือไม่พูดรวนเรเปะปะไปถึงว่าคนนั้นได้ความดีเด่นมาโดยไม่ยุติธรรมอะไรทำนองนั้นรวมความก็คือจะไม่ยอมให้คนอื่นดีนั่นเองข้อควายในการทำความดี เพื่อสแสวงหาชื่อเสียงคนประเภทนี้ไม่ชอบร่วมกับคนอื่นให้สังเกตเวลาเราชักชวนให้ร่วมทางานบางอย่างเพื่อเกียรติยศชื่อเสียงเขามักจะปฏิเสธในการที่จะร่วมด้วยทั้งนี้เพราะอำนาจริษยาในใจทำให้คนหวังดีกลัวคนอื่นจะมีหุ้นในความดีเด่นด้วยหรือมักระแวงไปว่าตัวเองจะไปประดับบารมีให้คนอื่นเข้า เลยยอมอยู่มันเฉยๆดีกว่างองูพฤติการโดยปกติคนขี้ริษยาชอบติคนอื่นมากกว่าชมและแม้จะชมก็ชมไม่เต็มปากแต่อย่างไรก็ตามถ้าจะตัดสินพฤติการคนให้แน่ๆว่าอาการนั้นๆแสดงออกจากริษยาหรือไม่เราต้องเอาความเปลี่ยนแปลงของจิตเป็นสำคัญ อาการของริษยานั้นเฉพาะกิริยาที่แสดงออกจากความไม่สบายใจเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีเท่านั้นเด็กบางคนเห็นแม่ของตนไปทําเป็นคนโอบเด็กคนอื่นตัวเลยร้องไห้เป็นวักเป็นเวนบางคนเห็นเด็กหวงแม่อย่างนี้เข้าใจว่าเด็กริษยาคนอื่นอย่างที่เราเคยได้ยินคนพูดถึงเด็กเสมอว่าไม่ได้รอกพอเห็นแม่ไปอุ้มเด็กคนอื่น เป็นทำหน้าเบ้เทียวขี้ฉานักนี่เป็นลักษณะอิจฉาหรือริษยาในสายตาของคนทั่วไปแต่ในสายตาของนักธรรมะแล้วจะเหมาเอาว่าเด็กทำเพราะริษยาทีเดียวหาได้ไม่ต้องแล้วแต่ความรู้สึกทางจิตใจของเด็กผู้นั้นเองถ้าเด็กร้องไห้เพราะไม่พอใจที่แม่ตัวไปเที่ยวรักคนอื่นก็ไม่ใช่ริษยาในวงเล็บ เป็นอาการของมัจฉริยะซึ่งจะกล่าวข้างหน้าหรืออาจร้องไห้เพราะความน้อยใจของแกแต่ถ้าหากแกไม่พอใจที่ได้เห็นเด็กคนหนึ่งได้รับความรักใคร่โปรดปรานนั่นเป็นความริษยาแท้ตอนโทษของอิสาความริษยาทำความเสื่อมเสียอะไรให้เรา ข้อนี้เห็นได้ง่ายในที่นี้จะยกตัวอย่างให้ดูสัก2ถึงสข้อคือข้อ1นริศยาผลานสุขคนริศยาเป็นคนมีกรรมตามธรรมดาคนทั้งหลายเขาจะไม่สบายใจหรือทุกข์ใจต่อเมื่อได้รู้ได้เห็นสิ่งที่ไม่ดีเช่นเห็นคนตกทุกข์เห็นคนถูกไฟไหม้บ้านอย่างนี้เขาจึงทุกข์ แต่ถ้าเห็นคนได้ดีมีความเจริญเขาก็มีความสุขแต่คนมีริษยาในใจกลับตรงกันข้ามเห็นคนได้ดีแล้วทุกเห็นคนตกทุกตัวจึงสบายใจเพียงเท่านี้ก็รู้ว่าเป็นคนมีกรรมโปรดนึกดูง่ายๆว่าคนทั้งโลกเขาก็ปากหน้าสร้างความดีความเจริญใส่ตัวเขาทั้งนั้นทีนี้เราเป็นคนริษยากินใจ กลายเป็นคนแสลงดีเห็นคนได้ดีไม่ได้หัวใจมันจะระเบิดก็เลยกลายเป็นว่าคนทั้งโลกเป็นเจ้ากรรมนายเวรของตัวไปหมดเพราะคนเหล่านั้นพยายามทำความดีความชอบมาแทงใจเราและเราเองเลยถูกคนทั้งโลกคอยทำโทษอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกมันประดังเข้ามาหาทั้งทางวิทยุทั้งทางหนังสือพิม ทั้งคำพูดของคนอื่นเวรกรรมอะไรอย่างนั้นใบประกาศสัญญบัตรมาลงโทษเราพวงมาลัยที่เขาสวมคอให้คนอื่นก็กลายเป็นพวงรีดมายะเ ย, อะอย้ยหัวใจเราลมปากที่คนทั้งหลายเขาสันเสริญกันก็กลายเป็นลมพิษบาดหูบาดใจเราอย่างนี้ไม่ทุกแล้วจะทุกเมื่อไหร่ท่านผู้อ่านควรจะเคยได้ยินเรื่อง เปรตเห็นกองจักเป็นดอกบัวจะเปรตบาปหนานั่นแกเห็นกงจักเป็นดอกบัวคือเห็นของร้ายเป็นของดีแต่คนริศยากินใจแล้วเกิดเห็นดอกบัวเป็นกงจักคือเห็นความดีของคนอื่นเป็นเรื่องห่ํามหันใจตัวเองกรรมเวรอะไรอย่างนั้นก็ไม่ทราบ 2. องริศยาผ่านศักดิ์ศรี จุดเสียหายร้ายแรงอีกจุดหนึ่งคือศักดิ์ศรีของเขาเองคนเจ้าริศยานั้นเป็นคนเสียสีที่จะทำให้คนรักเสียศักดิ์ที่จะทำให้คนเกรงเหตุใดคนเขาจึงไม่รักไม่เกรงคนขี้ริศยาเป็นเหตุผลที่เห็นได้ง่ายแต่พูดมาแล้วว่าโดยปกติของคนในโลกนี้ ต่างคนก็ล้วนแต่บากหน้าจะหาดีใส่ตัวอยากให้ตัวดีผู้น้อยที่อุตสาหเข้ามอบกายถวายตัวกับผู้ใหญ่ก็เพราะหวังว่ายังไรเสียท่านจะช่วยสนับสนุนให้มีความดีความชอบฝ่ายผู้ใหญ่ที่เพียรพยายามชุบเลี้ยงผู้น้อยก็มุ่งหวังอยู่ว่าบรรดาผู้ที่ตนชุบเลี้ยงไว้นั้นจะเป็นกำลังให้ตนได้ สร้างความดีความเจริญเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะได้แล้วว่าคนกีริสยาไม่อยากให้คนได้ดีหรือไม่อยากเห็นความดีความเจริญของคนอื่นนั้นเป็นคนไม่เหมาะแก่ตำแหน่งใดเป็นผู้น้อยก็ไม่น่ารักเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่น่าเคารพเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกันก็ไม่นับถือตัวอยากดีแต่ไปคบกับคนที่ไม่อยากให้คนดี ก็เสร็จกันเหมือนไปฝากไข้ไว้กับสปเปอรอซึ่งเต็มใจที่จะมัดเราใส่โลงอยู่แล้วจะน่าดูหรือคนเป็นโรคริสยานี้ก็เหมือนเหมือนกับคนเป็นโรคหึงคือเป็นแล้วไม่ยอมรับว่าตัวเป็นท่านเองก็คงจะเคยเห็นคนขี้หึงไม่เคยรับว่าตัวหึงแม้ว่าตัวอาจะหึงจนกระทั่งผัวไม่กล้ามองหน้าผู้หญิงอื่นอยู่แล้ว ปาก็ยังโฆษณาว่าตัวไม่ได้หึงแต่ถึงจะโฆษณาเท่าไหร่เท่าไหร่ชาวบ้านเขาก็รู้ปาก็ว่าไม่หึงไม่หึงแต่หางเสียงก็บอกให้ชาวบ้านรู้ฉันไม่ว่าจะมีเมียกี่คนกี่คนก็เชิญฉันไม่หึงอยากมีเชิญจะได้รู้ดีกันสิมั่งนี่เนอะหรือคนไม่หึงหึงจนชาวบ้านเขาจะยกให้เป็นแชมป์เปี้ยนโลกอยู่แล้ว ก็ไม่ยอมรับว่าตัวหึงคนเป็นโรคริษยาก็เหมือนกันผู้แสร่ร้ายคนอื่นจนน้ำลายเป็นฟองแล้วยังว่าเสียอีกว่าพูดไปมากเขาก็จะว่าอิจฉาเขาเรามันอิจฉาใครไม่เป็นแต่เห็นแล้วมันขวางในตาอย่างนี้ทั้งนั้น 3. ริษยาผลาญหมู่คณะเราดูกันในหมู่คณะ ขนาดใหญ่ทีเดียวคือประเทศชาติความริษยาตาร้อนเป็นภัยแก่วความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองร้ายกาจนักยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเช่นในระบบ ก, การปกครองแบบประชาธิปไตยใครมีความรู้ความสามารถก็อาสาเข้ามาบริหารราชการบ้านเมืองพลัดเปลี่ยนกันไปคนน อ, อกนั้นก็จะต้องพยายามให้ความร่วมมือสนับสนุน ให้เขาได้ทำความเจริญแก่บ้านเมืองจนสุดความสามารถแทนที่จะคอยริษยาตาร้อนเมื่อเห็นคนทำความดีการให้ความร่วมมือแก่คนทำความเจริญให้หมู่คณะนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งอย่างน้อยที่สุดก็เปิดทางให้เขาไม่ใช่ตัวไม่ทำแล้วยังเล่นขวางทางคนอื่นเขาอีกเข้าทำนองนี้สมพานเก่าศึกแล้วยังหวงอำนาจสมพานอยู่อีก เล่นปรงศิลขาไม่ตกมันยุ่งการให้ความร่วมมือแก่คนทำความดีนั้นเป็นงานที่คนผู้รักหมู่คณะทำได้ง่ายแต่คนมีริษยาในใจแล้วทำได้ยากมากคนริษยาจึงเป็นคนไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในการร่วมอยู่ในวงการใดๆท่านผู้อ่านคงเคยทราบประเทศที่เขาเจริญก้าวหน้ามากๆเช่นประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกาในสมัยเลือกตั้งครั้งสำคัญสคัญบรรดาผู้สมัครรับเลือกตั้งต่างก็พยายามแข่งขันกันอย่างสุดฝีมือแต่พอการเลือกตั้งเสร็จแล้วใครชนะการเลือกตั้งคนนอกนั้นก็ประกาศให้ความร่วมมือกับผู้ชนะทันทีเหมือนกับไม่เคยแข่งขันกันมาเลยนั่นเขาเราคนไทยสิทธิพระพุทธเจ้า จะทำอย่างเขาบ้างไม่ได้หรือแทนที่จะมัวริษยาตาร้อนกีดกันขัดขวางไม่ให้คนอื่นสร้างความดีความเจริญอย่าลืมว่าการริษยากันนั้นเหมือนกับเอาน้ำร้อนรดต้นไม้ไม่มีผลดีอันใดเลยคนทำความดีแก่ส่วนรวมถ้าจะเปรียบก็เหมือนคนปลูกต้นไม้ให้ดอกให้ผลให้คนทั้งหลายได้อาศัยส่วนคนริษยาคนอื่น เปรียบกับคนที่คอยเอาน้ำร้อนไปเที่ยวรดต้นไม้ให้ตายอย่างนั้นเองตอนกวาดล้างอิสาวิธีปฏิบัติโดยตรงคือบำเพ็ญมุทิตาคือฝึกอบรมจิตให้รู้สึกปล่อยเชื่นชมยินดีกับความดีที่คนอื่นทำได้และอบรมตนให้เกิดปัญญามีความรู้จักผิดชอบชั่วดีอย่างน้อยก็รู้ว่า ความดีนั้นเป็นสิ่งที่ควรถนอมไม่ว่าจะเป็นความดีของใครก็ตาม